จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบราชัทอุบาโสปุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้ามีนาคมพุทธศักราชสองพห้าร้อยกสเป็นวันพระวันธรรมัสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันที่พวกเรา จะมาสร้างความสุขทางจิตใจกันแทนที่จะสร้างความสุขทางร่างกายตลอดระยะเวลา 6-7 เจวันที่ผ่านมาเราก็ใช้เวลาไปกับการสร้างความสุขทางร่างกายกันแต่วันพระนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ลองมาสร้างความสุขทางใจกันบ้างเพราะความสุขทางใจนี่ วิเศษกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางใจไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นแต่ความสุขทางร่างกายจะต้องมีวันหมดมีวันสิ้นเพราะร่างกายมีความแก่มีความเจ็บและมีความตายตามมานั่นเองพอร่างกายแก่เจ็บตายเราก็จะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ แต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขทางใจเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็ยังสามารถมีความสุขได้ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้แต่เราสามารถหาความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพอพุทธเจ้านี่คือความวิเศษของพอพุทธเจ้า ของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสารุเพราะท่านรู้วิธีที่สร้างความสุขทางใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือสามารถมีความสุขได้ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไปหรือฐานะการเงินการทองจะเป็นอะไรไปตอนนี้พวกเราเอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขอาศัยฐานะการเงินการทองของพวกเราเป็นเครื่องมือหาความสุขกันอาศัยคนนั่นคนนี้ให้ความสุขกับเรากันอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราแต่วันหนึ่งบุคคลเหล่านี้สิ่งเหล่านี้หรือเข้าของเงินทองก็อาจจะจากเราไปก็ได้ หรือหมดไปก็ได้เช่นสมมติว่าเราเงินหมดนี่เราจะเดือดร้อนไหมทุกวันนี้เรามีเงินใช้กันเราอยากจะหาความสุขทางตาหูจ ม, มูกนิ้นกายเราก็เอาเงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกันแต่ถ้าเกิดเงินหมดจะทำยังไงก็ต้องทุกข์คนที่เคยไปเที่ยวพอไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกข์ คนที่เคยไปดื่มไปรับประทานอะไรพอไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานก็จะทุกข์ขึ้นมานี่คือความสุขทางร่างกายทางราบยศสรรเสริญเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาหากันนี้เป็นความสุขที่แน่นอน ที่จะเป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดและจะไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันในวันพระให้เราหยุดการหาความสุขทางร่างกายกันหนึ่งวันด้วยการมาถือศีลแปดกันการถือศีลแปดนี้เป็นการหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปหาความสุข ทางร่างกายเช่นศีลข้อสามถ้าเป็นศีลแปดก็จะเปลี่ยนเป็นอบ布拉มจริยาเวระมณีแทนที่จะเป็นากาเมสุมิฉาจาราเวระมณีถ้าถ้าเป็นศีลห้าศีลข้อ 5, สามก็ยังอนุญาตให้เราร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของเราได้แต่ห้ามไม่ให้เราไปหลับนอนกับ คนที่ไม่ใช่สามีภรรยาของเราแต่ถ้ามาถือศีลแปดศีลข้อสามก็จะกลายเป็นอบ布拉มจริยาเวละมณีคือจะถือศีลพรหมจรรย์คาว่าศีลพรหมจรรย์ก็คือไม่มีสามีไม่มีภรรยาหนึ่งวันเป็นโสดหนึ่งวันเป็นถือศีลพรหมจรรย์ถ้ามีก็ถือ ก็แยกกันอยู่คนละห้องอยู่ค น, คนละบ้านคนนึงมาวัดคนนึงอยู่บ้านจะได้ไม่อยู่ใกล้กันพออยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันจะหักข้ามจิตใจไม่ได้เราไม่ต้องการที่จะหาความสุขแบบนี้กันในวันนี้เพราะเราอยากจะมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันเราเลยต้องถือศีลห้า เพื่อห้ามใจไม่ให้ไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขข้อหกคือการรับประทานอาหารก็ไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากมากเกินไปให้รับประทานพออยู่ได้ก็พอคือรับประทานวันละมือ้อสองมื้อก็พอแล้วคือหลังจากเที่ยงวันเราก็จะไม่รับประทานอาหารกันไม่ตายรับรองได้ พระสงม์องค์เจ้านี่บวชกันมาก็ไม่มีใครรับประทานอาหารเย็นกันก็ไม่มีใครตายกันเพราะว่าท่านมีความสุขทางจิตใจพวกที่ต้องอาศัยการกินอาหารจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจเวลาที่ไม่ได้รับประทานอาหารเย็นนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราพ ร, ระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเราอย่าไปกินเพื่อให้เกิดความสุขกินเพื่อดับความหิวของร่างกายกินเป็นเหมือนยารักษาร่างกายให้ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้พิกลพิการก็พอแล้วถ้ากินแบบนี้ก็ไม่ต้องกินสามมือ้อกินมื้อสองมื้อก็พอกินถึงเที่ยงวันก็หยุดได้แล้ว เพื่อจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจกันส่วนศีลข้อที่7ก็คือให้เรายุติการหาความสุขจากบันเทิงมหรสพต่างๆเช่นดูภา พ, พยนตร์ร้องรำทำเพลงไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆไปแหล่งไปสถานบันเทิงต่างๆ วันนี้เราจะไม่หาความสุขแบบนี้ทีวีวงทีวีเราก็ปิดมือถือถ้าเราใช้เป็นเครื่องมือฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์หรือดูภาพต่างๆวันนี้เราก็ปิดเครื่องไปอย่าไปดูมันเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาสร้างความสุขทางใจ นอกจากไม่ดูมาหฬาเรศพ บ, บันเทิงแล้วก็ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้เสียเวลาไม่ต้องแต่งหน้าทาผ้าทำเเผาทำผมทาน้ำมันน้าหอมใส่เสื้อผ้าหรูหราวิจิตพิสดารเพราะเราจะไม่ไปเที่ยวไหนเราจะอยู่บ้านหรือเราจะอยู่วัดกันแต่งกายแบบเรียบง่ายใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาว อาน้าหรีผ้าหวีผมก็พอไม่ต้องทาหน้าแต่งหน้าทาปากไม่ต้องใช้เครื่องสำอางต่างๆเพราะว่าเสียเวลาเปล่าๆเอาเวลามาแต่งใจดีกว่ามาแต่งใจให้เกิดความสวยงามใจของเราสวยงามด้วยการรักษาศีลแปดนี่เองคนที่รักษาศีลแปดจะเป็นคนที่น่ารัก น, น่าชื่นชมยินดี พขาจะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายาเมานั่นเองจึงเป็นคนที่สวยงามคนสวยงามนี้ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาแต่อยู่ที่ใจต่อให้ร่างกายสวยขนาดไหนแต่ถ้าใจไม่สวยไม่งามก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วย เราอยากจะอยู่กับคนที่ชอบฆ่าสัตว์ไหมเราอยากจะอยู่กับคนที่ชอบขอมโมยข้าวของเงินทองไหมเราอยากจะอยู่กับคนที่ชอบประพฤติผิดประเวณีไหมเราอยากจะอยู่กับคนที่ชอบโกหกหลอกลวงไหยเราอยากจะอยู่กับคนที่ชอบดื่มสุรายาเมาหรือไม่คนแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากจะอยู่ด้วยถึงแม้จะสวยงามทางร่างกายแต่ใจนี้ไม่สวยงาม ความสวยงามทางร่างกายนี้สู้ความสวยงามทางใจไม่ได้ดังนั้นขอให้เรามาเสริมความงามด้วยการรักษาศีลกันดีกว่าแล้วเราก็มาสร้างความสุขด้วยการมาปฏิบัติธรรมกันแล้วเราก็รักษาศีลอีกข้อคือข้อ8ข้อ8ก็คือไม่ให้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ คือไม่ต้องการให้นอนมากท่านมันสบายแล้วมันจะนอนมากแต่ถ้ามันไม่สบายเช่นนอนกับพื้นปูเสือ่อปูผ้าพื้นมันแข็งเวลาร่างกายเหนื่อยมันก็จะหลับได้ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วพอมันหายเหนื่อยมันก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาะๆนะหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนแล้วพอตื่นขึ้นมา เราก็จะไม่อยากลุกเพราะมันสบายเราก็จะเสียเวลากับการนอนต่อไปเวลาที่จะเอามาสร้างความสุขทางจิตใจก็เลยไม่มีกันแต่ถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็รีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมมาสร้างความสุขให้กับใจดีกว่านี่คือ หน้าที่ของศีลแปดมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราไปทำกิจกรรมทางร่างกายไม่ให้เราไปหาความสุขทางร่างกายกันเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจความสุขทางใจเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากการทำใจให้สงบใจของเราตอนนี้ไม่สงบกันเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมหยุดคิดกัน เราคิดกันไปเรื่อยๆคิดมาตั้งแต่เตือนจนหลับก็ยังคิดต่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราคิดมันก็กลายเป็นความฝันขึ้นมานความคิดนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่มีความสงบถ้าเราไม่มีความสงบเราก็จะไม่มีความสุขทางใจกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาหยุดคิดกันวิธีที่จะหยุดคิดก็ต้องใช้เบรกของใจ แบรของใจนี่เรียกว่าสติสติก็คือให้เราลเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดเพียงเรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่คําพุโทโธพุธโทโธถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คนนั้นคนนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้พอเราไม่คิดใจเราก็จะเย็นจะสบาย มีความสุขแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่ทําอะไรไม่ขยับร่างกายใจก็จะเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่พอเราเข้าถึงความสงบที่เต็มที่นี้แล้วเราจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหมดที่เราได้สัมผัสมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ ที่จะสู้ความสุขที่เกิดจากความสงบนัตธิสันติบาังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบใจจะสงบได้เราต้องระลึอกอยู่กับพุทธโธคิดอยู่แต่คำพุทธโธไปเรื่อยๆเช่นเราเตื่นขึ้นมาพอลืมตาก็ให้พุทธโธไปเลยอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้คิดแต่พุโทโธพุโทโธไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธพุโทโธไปทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปแต่ถ้าต้องทต้องใช้ความคิดก็หยุดชั่วคราวเช่นเราต้องคิดว่าวันนี้เราจะต้องไปทำอะไรบ้าง หรือเวลาเราไปทำงานเราต้องคิดถึงเรื่องงานที่เราจะทำตอนนั้นเราก็หยุดคิดพุทธโธได้แต่พอเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานถึงเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดเราก็กลับมาพุทธโธต่อแล้วรับลองได้ว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านใจเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะเย็นจะสบายจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆ ใครจะพูดดีไม่ดีเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยใครจะทำดีหรือไม่ทำดีเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือประโยชน์ของการมีพุโทโธคอยกำกับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่มีพุโทโธพอใครเขาพูดไม่ดีเราก็ไปคิดไม่ดีกับเขาแล้วว่าทาไมต้องคิดไม่ทไมต้องพูดไม่ดีด้วย<อ>แล้วก็ไปโกรธเขาแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธไป ใครเขาจะพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ไปสนใจเราก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปใจเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่โกรธไม่เกลียดไม่โมโหไม่วุ่นวายใจนี่คือประโยชน์ของการมีสติจะทำให้ใจเราเย็นใจจะไม่ร้อนจะทำให้อารมณ์ต่างๆนี้ ส, สยบตัวสมอบตัวลงไปอารมณ์โลภอารมณ์โกรธ จ ะ, จะสงบลงไปแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆใจก็จะสงบได้อย่างเต็มที่แล้วใจก็จะละแยกออกจากร่างกายจะทำให้เรารู้จักตัวเราขึ้นมาว่าตัวเราที่แท้จริงนี้ไม่ใช่ร่างกายเลยตัวเราที่แท้จริงก็คือใจนี่แหละผู้รู้ผู้คิดแต่ตอนนี้หยุดคิดแล้วก็เหลือแต่ผู้รู้นี่แหละเราจะเห็นว่าเวลาตายไป อะไรตายอะไรไม่ตายเราจะเห็นว่าร่างกายตายแต่ผู้รู้นี่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะผู้รู้ไม่มีรูปไม่มีร่างเหมือนกับร่างกายจึงไม่ตายเหมือนร่างกายแล้วเราจึงจะรู้ว่าอ๋อที่ผู้ไปเกิดนี่คือใครก็คือผู้รู้นี่เองผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าทําบุญก็จะไปรับผลบุญไปสวรรค์กัน ถ้าทำบาปก็ไปรับผลบาปไปอบายกันเพราะใจจะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ที่บุญที่บาปนี่เองถ้าใจสุขใจก็ไปสวรรค์ถ้าใจทุกข์ใจก็ไปอบายแต่ถ้าใจมีสติใจมีศีลใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่ไปอบายใจจะไปแต่สวรรค์เพียงแต่ว่าจะไปสวรรค์ชั้นไหนเท่านั้นเพราะสวรรค์มีหลายชั้น สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์พระอริยเจ้าสวรรค์ชั้นพระนิพพานมีหลายชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญที่เรามาทำกันถ้าเรารักษาศีลได้ทำบุญอยู่อย่างสม่าเสมอเราก็จะไปสวรรค์ชั้นเทพกันถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำบุญนั่งสมาธิรักษาศีลได้ มาถือศีลแปมาอยู่วัดมานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราก็จะไปสวรรค์ชั้นพรงกันแล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นของพระอริยเจ้าเราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เอาปัญญานี้มาหยุดตัวที่ทําให้เราต้องไปเกิดแก่เจ็บตาย ตัวที่ทำให้เราต้องไปทุกกับเรื่องราวต่างๆถ้าเราฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะรู้ว่าเหตุที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากของเราเองอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากนีนั่นอยากมีนี่หรืออยากไม่ได้อย่างนั้นไม่อยากได้อย่างนี้ถ้ามีความอยากมันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดตามภพต่างๆถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไป ขึ้นไปสวรรค์ชั้นอริยะเจ้าที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าไปถึงขั้นที่หนึ่งชั้นพระโสดาบันก็จะกลับมาไม่เกิดมากับมาเกิดไม่เกินเจ็บชาติถ้าได้ได้ชั้นที่สองพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวถ้าได้ชั้นที่สามได้พระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นโภมแล้วถ้าได้พระอาหารหันต์ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิพพานไปอยู่ในนิพพานที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คือที่อยู่ของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ทสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระสาวกตอนนี้ท่านสบายกว่าพวกเราเพราะท่านไม่ต้องมาแบกร่างกายเหมือนพวกเรา พวกเรายังต้องมาแบกร่างกายยังต้องมาเลี้ยงร่างกายมาหาอะไรต่างๆมาปกป้องรักษาร่างกายแล้วยังต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเราไม่มาเกิดเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์เหล่านี้เราก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือความสุขทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเรามาหากันในวันพระมาถือศีลแปดแล้วก็มาปฏิบัติมาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วพอว่างไม่ต้องทำอะไรก็นั่งหลับตาพุทธโธพุทธโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบใจสงบแล้วก็จะมีความสุข จะไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ฟังเทศฟังธรรมที่พระเจ้ทาทรงสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะว่าถ้ายึดติดกับร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจะทุกข์มากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปพิ่งร่างกาย ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งความสุขทางร่างกายได้เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะแกะ่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะปล่อยวางได้เราจะอยู่อย่างสบายไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรความวิตกกังวลความหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนี้จะไม่มีอยู่ในใจถ้าเรามีปัญญา ที่สอนให้เรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่เที่ยมมันจะต้องจากเราไปถ้าเราไปยึดไปติด <onze enhancing> ไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเรามันก็จะทำให้เราทุกข์แล้วเราก็ไม่สามารถทำให้มันเที่ยงได้ไม่สามารถทำให้มันเป็นของเราไปได้ตลอดดงนั้นทางที่ดีก็คือเราต้องปล่อยวางปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตาย ถ้าเราปล่อยได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะปล่อยได้เราก็ต้องมีสมาธิมีความสงบมีความสุขทรงใจแล้วมีปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราว่าอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราเอาคำสอนของพพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกกับร่างกายอีกต่อไปแล้วตายไปเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปเพราะเราจะเห็นว่าการมีร่างกายนี้มันเป็นทุกข์นั่นเองนี่คือเรื่องของการมราสร้างความสุขทางใจที่พวกเรายังไม่รู้จักวิธีสร้างกัน ถ้าเราไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่มาวัดในวันพระเราจะไม่ได้ยินเรื่องราวแ่านี้แล้วเราก็จะไปยึดติดกับร่างกายเพราะเราต้องใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆให้กับเราแต่พอร่างกายเป็นอะไรไปเราไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้เราก็จะทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขทางใจรู้จักพุโทโธพุธโทโธ รู้จักนั่งสมาธิเราก็จะมีความสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรเวลาร่างกายแก่ก็ยังพุโทโธได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังพุโทโธได้เวลาร่างกายตายก็พุโทโธได้เพอพุโทโธนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจแล้วถ้ามีพุโทโธพุโทโธก็จะพาเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่สวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม ไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานตามลำดับตามกำลังของพุทธทูและตามกำลังของปัญญาที่เราจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้พวกเราปรามาสร้างความสุขทางใจกันวันพระหยุดการหาความสุขทางร่างกายกันสักหนึ่งวันมาถือสิงแปดกันมานั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมกัน มาเจริญสติพุทธโธพุทธโธกันแล้วไม่นานเราก็จะได้พบกับความสุขทางใจแล้วเราก็จะมีที่พึ่งที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเพราะร่างกายเป็นที่พึ่งชั่วคราวแต่ใจนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนร่างกายสามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดดังนั้นขอให้พวกเราจงมีศรัทธาความเชื่อมั่น ในคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายขอให้เราน้อมนำเอาคำสอนของท่านนี้มาปฏิบัติแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราจะได้พบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพะระศีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุดและความเจริญแก้วคลาปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ